พอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมกำลังนำเสนอประสูรในสังยุตตนิยสกาทวักก็เป็นการพูดถึงความคิดเห็นของเทวดาที่มาเสนอต่อพระพุทธเจ้าก็ในสีประเด็นได้กกน โดยฉะนันว่าเป็นการต่อสู้กันทางความเชื่อของลัทธิของาศาสนาสองสาศาสนาเพราะฉะนั้นคำถามของเทวดาทั้งหมดในสี่ประเด็นเนี่ยถามว่าทุกวันสังคมอารยันเขายังเชื่อถืออย่างนั้นอยู่หรือไม่แล้วก็บอกว่าบางประเด็นมันก็เปลี่ยนแปลงไปโดยเหตุผลทางปรวัติศาสตร์ทางสังคมทางการเมือง แต่บางอย่างมันก็ยังมีอยู่ข้อเสนอของเทวดาก็บอกว่ากษัตริย์ประเสริฐสุดในหมู่สัตว์สองเทา้าซึงพระเจ้าส่งแสดงว่าพระหานตสมมาสัพุตตะเจ้านั้นประเสริฐสุดในหมูสัตว์สองเทา้าแต่ที่จริงถ้าจะพูดว่ากษัตริย์ประเสริฐสุดในหมู่มนุษย์มันก็ไม่ได้ว่าอะไร แต่ว่าพระชายคำว่าสองเท้าเข้าไปเนี่ยมันไปครอบคลุมถึงพระพุทธเจา้าถึงพระหันตลอดถึงเทวดาพรหมด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นพระเจ้าก็ส่งแสดงให้เห็นว่าถ้าจะเอาประเด็นนี้พระหันตสมมาส ร, ระพุทธเจ้านั้นจะประเสริฐกว่าการเป็นกษัตริย์เพราะว่ากษัตริย์นั้นอาจจะให้ได้ทั้งคุณทั้งโทษ แต่พุทธเจ้าก็จะให้เฉพาะส่วนที่เป็นคุณอย่างเดียวแล้วยุการให้คุณก็นานแล้วก็แผ่กระจายทั่วไปในส่วนต่างๆของโลกโคถกโคตึกประเสริฐสุดในหมู่โคในหมู่สัตว์สี่เท้าไอ้นี้พระุทธเจ้าก็ทรงแสดงว่าคือจริงๆเนี่ยอาจจะเป็นโคก็ได้ แต่ว่าสัตว์ที่ฝึกดีแล้วเรียกว่าสัตว์อาชาในเนี่ยประเสริฐที่สุดประเด็นที่สามเธอพูดว่าพัญญาวัยรุ่นประเสริฐสุดในหมู่พัญญาอันนี้นก็อีกแหละคืออาจจะดีก็ได้นะอาจจะไม่ดีก็ได้แต่วพัญญาจะไวไหนก็ไม่รู้แหละ ก็คือที่ปฏิบัติภารกิจของปัญญาได้ดีเนี่ยก็ถือว่าประเสริฐที่สุดมันเป็นเป็นสนามที่กว้างคล้ายๆกับการกาหนดความงามนะฮะคือเรเห็นว่าถ้าเรากำหนดความความงามที่เครื่องประดับประดาตกแต่งก็แสดงว่าคนรวยเท่านั้นที่มีโอกาสจะงามหรือความงามที่เกิดกับรูปร่างกายบุคลิกภาพสวดทรงสันธาน รูปร่างหน้าตาก็แสดงว่ามันต้องเป็นการได้มาโดยกำเนิดหรือไม่งั้นก็ต้องทำสัญญกรรมปฏิต่ว่าพระเจ้าทรงแสดงความงามซึ่งไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวกับเสื้อผ้าแล้วไม่ได้เกี่ยวกับรูปร่างหน้าตาแต่เป็นความงามในด้านศีล คือคนที่มีกิริยาอาการทางกายทางวิจาเรียบร้อยเนี่ยวัยท่านจะเป็นยังไงก็ตามอายุจะเป็นยังไงก็ตามก็ถือว่างามแล้งามยิ่งไปกว่านั้นก็คือคนที่มีขันติและก็มีความเช่มชื่นอยู่ภายในเรียกว่ามีขันติมีสรุรจัสมันเป็นความงามที่เปิดภาคสนามบ อ, อกว้างคือหมายความว่าคนทั้งหลายนีย่จะมีโอกาส ต่ทำตนให้เป็นคนงดงามได้มันก็ไปเข้ากับกฎของกรรมคือกรรมวาชีวิริยะวาทีอย่างที่เคยยกไว้เปิ้บุรวัดบีที่จริงก็อาจจะดีก็ได้แต่ว่ามันผูกขาดอย่างนั้นมันก็เกิดไปเริ้พุทธเจ้าก็ทรงแสดงว่าบุตรที่ว่านอนสองง่ายเนี่ยพูดจากันรู้เรื่องก็ดีที่สุด ก็ได้อธิบายถึงประเด็นต่างๆที่เห็นว่ามันเป็นปัญหาสังคมอยู่ในปัจจุบันแล้วก็ไม่น่าเชื่อนะเราจเจนว่าปัญหาเกิดมาอยู่ตรงนี้กระจุกตัวอยู่ตรงนี้ก็ซ้ำซากะว่ากันทำหแับจริงคือซ้ำซากการพูดถึงพันยาวัยรุ่น การพูดถึงลูกชายว่าปีโรยเจนว่าการพูดถึงมัญญาวัยรุ่นนั้นเป็นความเชื่อของคนกลุ่มหนึ่งก็เป็นลนักษณะท่าหัวงูทั้งหลายเนี่ยคือชอบชอบยาขอนก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์นะฮะแต่ว่าถ้าเกณฑ์กำหนดยอย่างนั้นมันก็ถูกจำกัดด้วยวัยพอแก่แล้วก็ใช้ไม่ได้ มันก็ผิดหลักเพราะในพระสูตรที่พระเจ้าทรงแสดงเนี่ยเกินว่าในแง่ของความเป็นจริงแล้วอาการนี่มันเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งของการครองชีวิตแต่ไม่ใช่เนื้อแท้ของชีวคือหมายความว่าคนสามารถปฏิบัติพัฒนาตัวเองให้ ประศจากการยุ่งเกี่ยวในเรื่องเพศได้เนี่ยก็จะกลายเป็นคนที่ประเสริฐสุดวันก่อนก็ดูอักษรวิ่งในรายการข่าวคุณสุวัสดิ์ริศตาพันลบรองนายอุตนตรีที่กำกับสำนักพุทธเนี่ยคือพูดสัพภา์ไปในทํานองว่าการนำเสนอข่าวคราวที่เกี่ยวกับพฤติกรรมไห ม, หม่เหมาะสมของพระ มันจะช่วยให้แก้ไขปัญหาได้ก็มองมุมเดียวก็ได้นะแต่เราเห็นว่าภาพของพระเนี่ยจะถูกมองด้วยความเครีแกร่งสศกใสมันเกิดวิกฤติศรัทธาขึ้นมาได้ง่ายแล้วว่ากันตามความจริงแล้วเนี่ยการวิบัติตามบทบัญญัติของพระวินัยเป็นเรื่องกฎของกรรม หมายความวาท่านทําดีท่านก็ได้ดีไปท่านทําชั่วท่านก็ทำชั่วไปเป็นเรื่องที่คนอื่นไม่มีส่วนรับรู้หรือว่าแม้แต่ว่ากระทบกระเทือนอะไรแต่ถ้าเราเห็นว่าพระเหล่านั้นไม่อยู่ในธรรมในวินยัยก็อย่าไปยุ่งแล้วในสุดท่านก็ต้องออกไปเพราตั้าใจคิดแก้ไขเนี่ยมันแนวคิดโบราณเนี่ยจะดีกว่าหรือมาความมาแก้กันเป็นการภายใน เช่ว่าครอบครัวลูกชายลูกสาวมีปัญหาความประพฤติอย่างนั้นอย่างนั้นก็ไม่ควรจะไปออกข่าวอะไระควรจะพูดจากันแก้ไขเพราะว่ามันสร้างตราบาปที่เปะื้อมาความว่าครอบครัวนั้นะกุลนั้นก็พอยถูกมองด้วยความเครียดแร่งสงสัยด้วยพระเองก็จะมีลักษณะอย่างนั้นในถุฎพระทั้งหลายก็จะถูกมองด้วยความเครียดแร่งสงสยัย แต่ถ้าเรามองว่าพฤติกรรมอย่างนี้เป็นเป็นธรรมชาติของสัตว์โลกอะอย่างแดว่ามีคนกลุ่มหนึ่งเขาตั้งใจจะสมาทานศีลที่เหนือกว่าสามัญชนแล้วเหนือกว่าเอามากมากใช่เลยแล้วก็มีทำได้บ้างทําไม่ได้บ้างมันมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลนั่นแหละเป็นเป็นการเข้าสู่สนามการแข่งขันวิ่งมาราธอนก็วิ่งกันนาน แต่คนวิ่งไปได้มากเท่าไหร่เนี่ยเมื่อควรเก่การยกย่องมากเท่านั้นเน่ยแต่ออกก็คือออกอะ่ะออกจะสนามก็คือออกหรือไม่ไหวก็ออกมาก็ไม่ได้ว่าอะไรกันปัญนานเหล่านี้คือมองมุมเดียวไม่ได้นะต้องมองหลายแง่หลายมุมต้องมีความรับผิดชอบต่อองค์กรของสูงที่เป็นภาพรวมเพราะฉะนั้นถ้าหากว่า หลักการเนี่ยเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยห้ามไม่บอกอาบัติช่วยหยาบของภิกษุอื่นแก่ชาวบ้านปราบอาบัตินะใครบอกแต่ในขณนะเดียวกันก็ห้ามปกปิดอาบัติช่วยหยาบของภิกษุอื่นตือหมายความว่าในวงการสงฆ์จะต้องดำเนินการไปแต่มันเป็นเรื่องเฉพาะคนกลุ่มนี้แหละมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคนกลุ่มอื่นหรอก เสนอโมดว่าพระท่านทําไม่ดีอยู่ทางเชียงใหม่มันก็เรื่องอยู่ตรงนั้นแหละแก้ๆคนไม่กี่คนแถวนั้นก็าจากการแก้ไขกันไปแต่ไม่ใช่ว่าพระในจังหวัดอื่นจะถูกมองด้วยความพระหมัวไปด้วยอย่างสมัยก ร, รณีของนิกอ่อนเนี่ยเราเห็นชัดมากเลยก็เทื่อนมากเลยตอนนั้นวงการส่งแล้วมากระทบที่ยันตระมากระทบที่ภาวนาโอ้ยก็เถื่นใหญ่เลย ทางทางที่จนทุกวันเนี่ยยังหาข้อยุติไม่ได้ว่าจริงหรือไม่จริงสารตัดสินนั้นก็ถือว่าเป็นจริงในแง่มุมของกฎหมายแต่ว่าในความเป็นศีนเนี่ยท่านละเมื่อจริงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ตัวคนที่รู้ก็คือตัวเขาเองสารตัดสินไปแล้วไม่ได้มาความยุติในเรื่องศีลแต่มันยุติในเรื่องกฎหมาย ผ่านไปถึงระดับสารกาก็ถืออุติในแง่มงกฎหมายแต่ว่าในแง่ของความเป็นบาปในแง่ของความผิดศีลเราก็ไม่รู้แหละแต่กผิดแกก็ผิดแกดก็ไม่ผิดแกก็ไม่ผิดอยู่นั่นแหละเพราะว่าเป็นเรื่องเฉพาะตัวคนอย่างที่บอกว่าใครจับไฟก็ร้อนเองใครจับน้ำแข็งก็เย็นเองกูเดินจะไปอธิบายแทนไม่ได้หรอกร้อนอย่างนั้นหรือว่าเย็นอย่างนั้น เย็นมากเย็นน้อยคนที่จับท่านั้นเองเป็นคนรู้ทาการต้องอาบิษฎก็มีลักษณะนนอย่างเนี้ยอันนี้ก็เกิดขึ้นมาจากการมองคือการงองในแง่ของความจริงที่เป็นจริงเนี่ยการไม่มีสุขน้อยแต่มีทุกข์มากปัญหายเยอะมากก่อนที่จะมีการแม้แต่เรื่องเนี่ยรูปเสียงกินรถผลิตภัณ์เนี่ย คือในกระบวนการสแสวงหาการได้มาการครอบครองการริโพคใช้สอยการารักขาการดูแลเสร็จจากการเกี่ยวข้องกันแล้วก็มีปัญหาใดๆต า, ตาไม่เยอะเลยเพรา ะ, ะนั้นปล่อยคนหมกมุ่นในเรื่องเหล่านี้ก็เป็นปัญหาที่น่ากลัวคือมาได้รับอาราธนาจากสำนัก ง, งานพระพุธศาสนาแห่งชาติให้ไป บรรยายวิเคราะห์สถานการณ์ในปัจจุบันในพระสังคติการฟังหลายรุ่นน่ะเราก็เหตุการณ์ต่างๆให้มามองแล้วก็ให้รู้ตัวว่าเียเนี้ยมันมันเป็นสงครามต่อสู้แย่งชิงประชาชนกันระหว่างกระแสโลกาภิวัตซึ่งก็เน้นที่ตัววัตถุนิยมบริภพนิยมกับกระแสของธรรมะ ซึ่งถ้าหากว่าคนไม่หนักแน่นจริงๆนี่จะยากเพราะว่าแนวที่เทวดาเสนอเนี่ยเป็นแนวมันเลื่อนไหลไปตามกระแสสังคมของยุคสมัยหรือของท้องถิ่นเหล่านั้นอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในปราพระวสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยความเสือ่อมเป็นเรื่องจริงที่ไม่น่าเชื่อคือหมายความว่า เหตุการณ์มาตั้งสองพันกว่าปีแล้วแต่ถ้าเราไปดูถึงตำหรับตำราต่งตางๆที่ปรากฏแม้ในคำพีหรวงพุทธาศาสนาเราเองนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือพวก เ, เรียกวินีตวัตุในสิกขาบทที่หนึ่งในปฐมประจิกเราเห็นว่าพฤติกรรมในแนวนี้มันเยอะมากแล้วก็บางทีเนี่ยก็ไม่ดูดำดูเดียอะไรเลย ไม่ดูคนดูสัตว์ดูศพอะ ไ, ไรแต่ไรหมดไปเลยยุ่งไปไลยมันเป็นสภาพจิตที่ไปหมกมุ่นในเรื่องเหล่านี้มากเกินไปก่ในป ร, ราปวสูตรที่จริงเคยเคยเค ย, เคยพูดโดยฝังนานมาแล้วนะฮะมีลักษณะคล้ายๆกับมุงคลสูตรแต่ว่าผู้คนด้านป ร, ราปาวสูตรเป็นเรื่องของการเลื่อนไหลไปตามกระแสกิเลส แต่ว่ามงคลลสูตรเป็นการเลื่อนไหลไปตามกระแสของกุศลธรรมมีความสงบ ป, ประณีบมีความยือกเย็นขึ้นไปเรื่อยๆจนไปถึงมาผลนิพพานแต่ป ร, รารภวาสูตรเนี่ยเป็นการสะท้อนภาพลักษณ์ต่างๆของสังคมแห่งยุคสมัยที่มันแปลกก็คือว่าเดือนนี้ยังอยู่เป็นความจริงที่แปลกคือแปลกแต่จริงรับสั่งว่า อาชาที่แก่มากแล้วไปหาหญิงฐันเพิ่งขึ้นเท่าผลมาพร้าบมาเป็นภริยาไม่เป็นอันหลับอันนอนเพราะเมื่อหึงหวงพัญญานั้นนั่นก็เป็นทางเสื่อมขอ ง, องคนประการหนึ่งเราเล่าถึงชูชกอ่ะเหมือนกันเลยเพราชูชกเนี่ยยังเป็นเหตุการณ์ก่อนพุทธสมัยในสมัยที่พระเจ้าสเสวยพระชาติเป็นพระเอกรนมาก็ย้อนหลังไปเท่าไหร่เราก็ไม่รู้นะฮะ ว่าจากพระเวสสันดรก็เกิดเป็นเทวดาอยู่ที่สวรรค์ชันดุสิตอายุสวรรค์ชนดุสิตมานานนะแล้วก็จุติมาในโลกมนุษย์ก็ทรงแสดงเมื่อตอนเป็นพระพุทธเจ้าแล้วและที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือในบัรยากาศนิบาตอังคุตในกายที่ได้แสดงธรรมเนียมของพรามที่ก็สู่ความเสื่อม คือหมายความว่าแต่ก่อนเนี่ยเขาไม่เป็นอย่างเนี้แต่ว่าลักษณะทางสังคมอย่างหนึ่งแม้แต่เหตุการณ์บัญญัติพระวินัยของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระเจ้ารอสิ่งที่เรียกว่าอาสวัตฐานิยธรรมคือหมายความเรื่องเสื่อมเสียจะเกิดขึ้นมาก่อนทีนี้ปัจจัยที่ให้เกิดเรื่องเสื่อมเสียนี่คือว่าคนมันมากแล้วก็ผลประโยชน์มันมากาถ้าอย่างนี้แล้วยุ่งอ่ะ นั่นคือสิ่งที่น่ากลัวเวลาไปอบรมไปสังคติการพวกนี้เป็นพระระดับเจ้าวาดนะก็คุยท่านฟังว่าอย่าไปนเน้นอย่าไปนเน้นที่จึงเงินทองให้มากเพราะถ้าเงินทองเข้ามาแล้วมันยุ่งตอนสมัยนานมาแล้วเรื่องนิกรเนี่ยนะนกรนเนี่ยนกรธรรมวทตีที่เชียงใหม่ ก็ยังไม่เคยคุยอะไรกับเขาเป็นกิจลักษณะรืยะหลังก็พบกันในงานสัปดาห์ส่งเสริมเนี่ยในท้องสนามหลวงก็มักจะไปนั่งอยู่ใกล้ๆแต่ก็ไม่เคยคุยอะไรเป็นกิจลักษณะเพียงแต่ว่าตั้งแต่เห็นเขาครั้งแรกที่เชียงใหม่ลงจากเครื่องบินแล้วคนก็ชี้ให้ดูบอกว่าเนี่ยพระนิกรที่กำลังดังอยู่ แต่ตอนหน้ามาก็ไปบญญปรรยายนุ่มไปสังคติการประมาณสักห้าร้อยรูปแต่ถึงตอนหนึ่งก็บอกท่านนะ่ะบอกว่าขอฝากดูแลพระนี่ก่อน ด, ด้วยนะช่วยกันดูแลด้วยพระองค์นี้ข่าวว่าดังเกง่งพูดแล้วก็ขนขึ้นคนติดอย่าลืมเมื่อต่อไปในเงินจะมามากและเมื่อเงินมาเนี่ยผู้หญิงก็จะมาแล้วก็ ตอนนั้นน่จะมีปัญหาเรื่องผู้หญิงก็ช่วยกันดูแลด้วยจยกันระมัดระวังด้วยพูดก่อนที่จะเกิดเรื่องจริงประมาณเจ็ดปีนะะแล้วก็เกิดจริงคือมันเป็นสูตรธรรมดาไม่ใช่มียานเยอะอะไรหรอกมันเป็นสูตรธรรมดาคือธรรมชาติของของคนก็เป็นอย่างนี้ ที่รับสั่งเล่าเนี่ยบอกว่าแต่ก่อนในพวกพราหมณ์จะมีพัญยาก็หาผู้หญิงที่เขามีฤดูไปแล้วก็มาเลี้ยงดูเป็นพันยาประเภทต่างๆเยอะแยะนะพัญยาเนี่ยหลายสิบประเภทเลยกันบบบ น, นี้มีภรรยาไม่เลือกแม้แต่หญิงที่ยังไม่มีฤดูก็ไม่ละเวน้นที่เช้าก็คือว่ารับสั่งว่าแต่รับประเวณีนี้ยังไม่มี ปรากฏในหมู่สุนัขหรือสุนักนั้นย่อมสมสู่กันต่อเมื่อตัวเมียมีระดูเท่านั้นเป็นประเห็นว่าที่เทวดาแสดงความเห็นเนี่ยมันเป็นการแสดงความเห็นตามวพรนธรร ท, ท้องถิ่นที่มีการนิยมกันแต่ถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์ของชนชาติต่างๆในโลกเนี่ยเราจะว่าการเน้นในเรื่องนี้เป็นเรื่องแปลกนะ โดยเฉพาะอินเดียเนี่ยภาพลักษ์ต่อหน้าสังคมเนี่ยจะระมัดระวังมากในเรื่องนี้โดยสํารวมระหวังมากแต่ว่าถ้าจริงๆแล้วที่ครอบครัวเนี่ยจะหมกมุ่นมากเพราะว่าระบบการคิดการมองอะไรต่างๆเขาเห็นเป็นเอกสารมาขนาดานเขียนตำนาเป็นสูตรๆนะฮะการมาสูตรเนี่ยพูดเรื่องการโดยเฉพาะเลยแล้วก็วิจิตพิสดาร นั่นก็แสดงให้เห็นว่าเป็นชจนชจาติที่หมกมุ่นในเรื่องเหล่านี้มาแต่ว่ากระทำแค่ ม, มุ่ดกวดขันนี่นะต่อหน้าคนแต่ก็รับหลังคนแล้วก็ไปเยอะเพราะนาริยมในลักษณะนี้จึงมีปัญหามาจนถึงปัจจุบันแล้วก็เป็นห่วงสังคมในโอกาสต่อไป ก็อย่างที่บอกว่าจากการสังเกตที่ไปบรรยายปรุมโยชนในต่างจังหวัดส่วนหนึ่งเธอก็จะถามปัญหาเราก็เคยตอบไม่เคยหมดนะมันเยอะจริงๆปัญหาเนี่ยคือปัญหาแต่ละทีเนี่ยถ้าจะตอบจริงๆเนี่ยใช้เวลาเราสี่ชั่วโมงมี่อแม่ว่าอย่าถามเพิ่มนะถ้าถามเพิ่มแล้วก็ตรงยืดเวลาไป แต่ ป, ปัญหาที่น่าคิดก็คือว่ามันเป็นปัญหาแนวๆตรงนี้แนวที่พระเจ้าทรงแสดงไว้ในพระดาประรวสูตรแล้วก็แนวความคิดของเทวดาเนี่ยทีนี้ปัญหาประการหนึ่งก็คือว่าพวกพราหมณ์เนี่ยเขามีความเชื่อว่าผู้ชายทุกคนเนี่ยต้องมีลูกต้องมีบุตรลูกผู้ชายถ้าไม่มีลูกผู้ชายแล้วตายไปก็จะตกนรก วลบุตรเนี่ยแปลว่าผู้ป้องกันพ่อแม่ตกนรกที่คนเราก็ธรรมดาบางก็แต่งงานแล้วก็ไม่มีลูกถ้ากลัวนรกบางเลยก็คิดวิธีการมีลูกขึ้นมาที่บางอย่างนี่มันสาหัสากาันคือเอาหลานมาเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรมขอลูกบุญธรรมเขามาเลี้ยงก็ก็ปกคังได้หรือว่าเอาญาติญาติลูกหลานอะไรมาเลี้ยงเนี่ยเขาฟังได้ แต่ก็ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือให้พันยาตัวเองไปนอนกับผู้ชายอื่นเพื่อต้องการลูกมาเป็นลูกนี่แม่มันหัรุโสดนะความคิดที่หัโสดแล้วก็ลูกซึ่งเกิดจากตนเองกับพันญยาก็ลูกมีทั้งสี่ห้าชนิดเพราะอะเพราะความกลัวต่อการตกนรกที่ชื่อว่าปุตตะแล้วก็กลายเป็น ธรรมเนียนที่สืบต่อกันมานะฮะก็กลายเป็นว่าบุหัวปีเนี่ยมันหมายความว่าพอมีบุหัวปีแล้วก็วางใจได้แล้วตัวเองไม่ตกนรกแล้วเพราะนความเชื่อเหล่านี้เราเจนว่าอยู่ในอู่อะไรจะทโลกเนี่ยทางกรีกก็ดีทงางไอคุปก็ดีทางจีนก็ดีทางอินเดียก็ดีแล้วก็ไทยเราก็รับอิทธิพลตรงนี้มาเยอะนะฮะ ก็ค่อนข้างปับใจขวางใจอย่างจีนเนี่ยเขาผ่านระบบการปกครองเป็นคอมมอนนิสต์มาปัจจุบันก็พักคอมมอนนิสต์อย่งปกครองอยู่แต่ระบบความเชื่อเขาเนี่ยัยงเหมือนเดิมนะหมายความว่าพยายามมีลูกชายให้ได้แล้วถือว่าเป็นผู้สืบสกุลอินเดียก็จะมีลักษณะอย่างนั้นบางทีลูกผู้หญิงถูก ท, ทาแท้งถูกฆ่าเนี่ยมันแปลกจริงๆไงือว่าทารุณมาก ทีนี้ เ, เทวดาเราจะเ็นว่ากล่าวยกย่องทั้งสี่ประเภทว่าประเสริฐที่สุดที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าไม่คำนึงถึงคุณค่าในด้านจิตใจแต่คำนึงถึงคุณค่าในเชิงที่เป็นรู ป, ปรวัตถุตามความเชื่อถือแล้วก็มันมนัมันถูกสยบไว้ด้วยอิทธิพลของความเชื่อที่สะสม พานคนจึงไม่ใช้ระบบการคิดการนึกถึงถึงมีเหตุผลในด้านต่างๆเนี่ยแม้แต่ของเรานะฮะเยาจมีเยอะที่เราที่เรายอมจำนวนคือคือไม่ยอมคิดอะไรเลยแม้แต่องค์พระพุทธเจ้าเราเองเนี่ยคือถ้าเราดูพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ที่จริงก็คือคนธรรมดาแต่ว่าเป็นเผ่าอารยันเ้าก็สูงกว่าปกติหน่อย พระบาเสมเด็จพระจองเกล้าเจ้าอยู่หัวกับกลุ่มพญาปวเรศสุยาลุงกรซึ่งเป็นนักปราชญ์ทางภาษาบาลีด้วยกันทั้งคู่ก็ศึกษาค้นคว้าสรุปแล้วว่าประส่วนสูงของพระเสริฐในประมาณสักเม็ดเก้าสิบก็คนร้อยเอมตรแปดสิบห้าเมตรแปดสิบเมดแปดสิบเจ็ดสิบเก้าอะไรต่างๆก็มีนะฮะมันก็ขึ้นไปเก้าสิบแก็ไม่ได้สูงอะไรท่าไหร เพราะว่าเราดูที่จีวรเนี่ยจีวรเนี่ยมันกว้างหกคืบแล้วก็ยาวเก้าคืบเพราะจีวรขนาดนี้เวลานิเทมาห่มเองมันก็จีวรขนาดนี้แต่ทางที่มาเองก็สูงแค่ร้อยหกสิบห้าเท่านั้นเองแต่รู้สึกว่าถ้าข่มจีวรขนาดนี้แล้วมันมันค่อนข้างสบายคือไม่ต้องดึงนั้นดึงนี้อะไรต่อไรเนี่ยมันมันไปได้เลย แต่ถ้าจีวรที่มันก็เรียกว่าเมตดเก้าสิบเนี่ยมันจะสั้นไปหน่อยแล้วพอพอห่มคลุมเนี่ยเรารู้สึกวันวันเลยขึ้นมามากไปรู้แล้วก็ไม่ค่อยเรียบร้อยเลยก็ห่มจีวรระดับเนี่ยก็เลขสองเมตรสามเมตรนะฮะสองเมตรสามเมตรแต่ว่าเราก็มีความเชื่อเยอะที่เกี่ยวกับรอยพระบาทอย่าชัดเจนเราเชื่อมากเลยว่ารอยพระบาทนั้นเป็นรอยจริงแม้แต่ที่ สระ บ, บุรีเนี่ยเราก็ถือพระพุทธเจ้ามหายะประจิงเราต้อง น, นึกดูนะว่าเพราะเรามีพื้นฐานความเชื่อว่าพระเจ้าสูงสิบปดศอกโอ้สิศอกนี้ไม่ใช่เล่นนะปะนัญหตามมาแล้วเราไม่ได้คิดเลยเราไม่ได้คิดถึงพระขันตตะกุลีเราไม่ได้คิดถึงว่ามีคนหลงว่าพระนันทะพระพุทธนุชชาเป็นพระพุทธเจ้าบ้างพระมหาคจยณะเป็นพระพุทธเจ้าบ้าง อ, อะไรต่าง เวลาเดินมาในหมู่สูงก็สังเกตว่าอยู่ต่อหน้าตะนั้นเดงแต่ว่าไม่ได้สังเกตที่ส่วนสูงแต่ว่าความเชื่ออย่างนี้ไม่ได้เป็นอันตรายอะไรหรอกคือมันก็เกิดอนุสติเขาก็ก็เชื่อเขาอย่างนั้นไปเจอรอยพระบาทสามรอยเขาก็ไหวในฐานะที่เป็นบริโภคเจดี JD. แต่ว่าจิตมันก็สถาเ ร, ริ่ึมใสในพระเจา้าซึ่งซึ่ ง, งจริงๆไม่ได้แปลกอะไร แต่มันก็แสดงให้เห็นว่าเราไม่ค่อยใช่เหตุผลเพราะตรงเนี้พอพอพอถามเน่อธิบายมันอธิบายไม่ได้อะอธิบายไม่ได้ว่ากษัตริย์เป็นผู้ประเสริฐสุดในหมู่สัดสองเท้าเนี่ยคือเราอยลืมบ้านไอ้สิ่งมีชีวิตที่เป็นสองเท้าทั้งหลายเนี่ยมันมีเยอะนะอดี๋ยประสัดเป็นผู้ประเสริฐสุดในประเด็นของสองเท้าเนี่ยไม่ได้หรอก มันมีพระอาหารหันต์อยู่มีพระพุทธเจ้าอยู่มีเทวดาอยู่มีพรหมอยู่แล้วทำไงเป็นร ะ, ระบบของผวมเชื่อเป็นค่านิยมท้องถินแล้วถ้าเราเอามาจับแนวความคิดตรงนี้ในบ้านเราก็มีเยอะซึ่งเป็นลักษณะ จ, จิตที่ยอมจำนนยอมจำนนจากความเชื่อดั้งเดิมที่มีมาก่อนที่ในในขณะที่ พุธณาเองก็ยอมรับในกรณีที่ไม่เอาเท้าเป็นเกณฑนะ์เอาระบบความเชื่อถือทางสังคมเป็นเกณฑ์แต่ในขณะเดียวกันก็แสดงไว้สองตอนตอนแรกเนี่ยคัติโยเสโทชเเนตสมัมมิงเยโกตับปิซาลินโนในหมู่คนที่ยังรังเกียจกันด้วยชาติหรือโคตเนี่ยประสัดเป็นผู้ประเสริฐสุดมันก็สมบยุคนั้น เกิดเราจะมาใช้ทั่วทั่วไปไม่ได้จะไปใช้ในอเมริกานี่ก็ไม่ได้เอใช้ในจีนคอมมิวนิสต์มันก็ไม่ได้เอาใช้ในในจำกัดการรทฐศีลนี่ก็ได้แล้วก็แต่เรื่งก็แสดงของคุณคุณธรรมทึ่งมันเปิดสนามกว้างอีกและหมายความคนสามารถเป็นผู้ประเสริฐสุดได้โดยคุณเริ่มต้นตรงไหนก็ได้ มันมีคนประเภทที่มืดมาแล้วก็สว่างไปก็มีคนสว่างมาแล้วสว่างไปก็มีโลกคนจนเป็นมหาเศรษฐีก็มีลูกคนง้อเป็นนักปราชญ์ก็มีอันนี้คือจริงคือกฎความจริงที่มันมีอยู่ในโลกเนี่ยเพราแสดงว่าจริงจิงเนี่ยมนุษย์มันจะเปลี่ยนแปลงไปเพราะกรรมคือการกระทาเขาเองจนถึงขนานะจนถึงขนาดคือ ย, ยังนึกถึงข่าวคาดของบ้านเมือง แต่ต้นเดือนนะวันที่หนึ่งที่สองเนี่ยมีข่าวอะไรต่ไ้โจมตีกันเยอะเยอะก็ยังนึกขำนะฮะคือไปอ้างตัวเองเป็นฝ่ายค้านมันไม่มีฝ่ายค้านไม่มีฝ่ายรัฐบาลขณะ น, นี้ปัจจุบันขณะเนี้ยแม้เวลาออกอากาศเนี่ยก็ยังไม่มีฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาล เพราะท่นายกท่านมีสิทธิจะออกรายการวิทยุในฐานะที่เป็นผู้นารัฐบาลแล้วเขาก็ไม่เรียกรักษการรัฐมนรัฐนูญไม่เรียกรัฐษการรัฐมนูญบอกว่าต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งแล้วก็มีรัฐบาลใหม่เข้ามารับหน้าที่เขาไม่เรียกว่ารักษการนะสมัยคุณชวนเขาก็ไม่เรียกแต่ว่านี่ก็พยายามที่จะเรียกว่ารักษการ กฎหมายและตำรวจไม่ได้บอกรัศกาเพราะฉะนั้นเขาเป็นรัฐบาลแต่ว่าสอสอคนอื่นนะมันไม่มีแล้วมันหมดตั้งแต่วันยุบสภานั่นแหละเพราะฉั้นเรื่อนี้จึงไม่มีหัวหน้าฝ่ายค้านแล้วก็ไม่มีฝ่ายค้าน แ, แล้วก็ไม่มีฝ่ายรัฐบาลเพราะไม่มีรัฐสภาเพราะฉะนั้นจะไปถือว่าแย่งพื้นที่ข่าวของฝ่ายค้านไม่ได้เพราะมันไม่มีฝ่ายค้าในให้แย่งยัางนีงก้ก็ปแปลกนะทาไมคน คนเวลาเพ่งโทษคนอื่นก็เพ่งได้ตลอดแต่วราไม่ดูสถานะตัวเองว่าเธอเป็นใคร ล, ละ่ะเวลานี้ขณะเนี้เธอเป็นใครอยถ้าเธอจะใช้สิษย์ก็ได้ก็เช่าสถานีมันก็เป็นสิทธิ์ทั่วไปแก่คนนั่งหลานนะพระไปออกวิทยุก็เช่าสถานีรายการนี้ผลเอกเสรีท่านก็เช่าสถานีอเจริยศิวทุมก็เช่าสถานี เพราะในฐานะที่เป็นสามัญชนเนี่ยก็สามารถจะเช่าสถานีได้แต่ว่าเมื่อเขาเป็นเป็นเป็นรัฐะเนี่ยคือองค์กรของรัฐเครื่องไม้เครื่องมือของรัฐก็มีภาราที่จะให้บริการในงานของรัฐได้ถ้าปล่อยให้รัฐบาลไปเช่าสถานีวิทยุเลยทำไงบุนพูดเรื่องของบ้านเมือง อันนี้คือคือคือเป็นเป็นเรื่องปัจจุบันนะปัจจุบันขณะเนี่ยคือตามปกติแล้วเราจะประยุติติดอยู่กับอดีตแต่จริงปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้เป็นปัจจุบันขณะนี้เราไม่ได้เป็นไม่มีฝ่ายค้านไม่มีฝ่ายรัฐบาลไม่มีสสเลยสักคนหนึ่งในประเทศไทยเวนี้มีสอวอสอวอกลุ่มหนึ่งก็อยู่ในเกณฑ์รักษาการนะกลุ่มหนึ่งก็ยังไม่ได้เข้ารับงาน ก็สรู้ว่ากขยังไม่ลงตัวด้วยกันทั้งหมดเพราะนการชัดเจนอัตตัญญูตานะอัตตัญญูตาเนี่ยความรู้จักตัวเองชัดเจนเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญว่าถ้าจะเอาประเสริฐสุดอย่างนั้นแล้วคนที่เขามีคุณธรรมสูงสูงทำยังไงเพราะนี้ที่จริงเป็นสนั่งกุมาราพรมเขากล่าวนะพระสิทธิว่า ผู้ที่สมบูรณ์วิชาและเจรณาประเสริฐสุดในบูเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแสดงกุบาลพร่มเป็นคนกราบทูลต่อพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็ทรงอนุโมทนาแล้วก็บางโอกาสพระเจ้าก็มาแสดงที่นี้ประการต่อไปก็คือเรามาเชียบเกียงยึดเกียงเราจะเห็นว่าฐานะของศาสดาเป็นเทวดาเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายตนกษัตริย์ก็เป็นกษัตริย์ในประเทศนั้นๆัเท่านั้นเอง ไม่ใช่เป็นกษัตริย์ของโลกแต่ว่าพระเจ้านั้นเป็นศาสดาของเทวดาและอมนุษย์ทั้งหลายเวเนียมีคนนับถือพุทธศาสนากระจายกันอยู่ในส่วนต่างๆของโลกเยอะๆทีนี้เรามามองเทียบเคียงในแง่ของการทําประโยชน์แก่ประชาชนกรออกข้อขายของภารกิจของศาสดากาดาับกษัตริย์เนี่ยจะต่างกันเนยอะและช่วงอายุ ของผลงานเนี่ยมันจะห่านกันโดยเช่นว่าอย่างผลงานต่างๆเช่นยกตัวอย่างออกขนาดพระเจ้าอาโศกเนี่ยผลงานเยอะมากพระเจ้าศกแต่จริงก็กระจุกตัวอยู่ในกลุ่มคนไม่มากเท่าไหร่ที่รับผลประโยชน์จากท่านหรือว่าคนศึกษาทางโบราณคดีทางศิลาจะรึกทางประวัติศาสตร์รู้ศาสนา์หาไรต่า ก, ก็ก็ชื่นชมท่าน แล้วก็ไม่ถึงกับไปนำเอาหลักคำสอนอะไรๆของท่านมาประพฤติปฏิบั ต, ติประการต่อไปเนี่ยคือสัตว์สัตว์เนี่ยอย่างที่บอกว่าช้างม้าโคส่วนใหญ่สมัยนั้นเขาก็ช้างม้าโคนะที่ฝึกมากเนี่ยเพราะว่าเป็นยุคสมัยของกา ร, กรเกษตรกรรมช้างก็ใช้ในงานหนักเกี่ยวกับการลากสุงการเป็นช้างศึกต่อสู้กันในสงคราม มาก็เหมือนกันฮะการเดินทางไกลนะการควบคุมกองคาราวานต่างๆ ต, ตลอดถึงทำศึกสงครามโคนั้นก็จะหนักไปในทางคาราวานกับการประกอบอาชีพทางเกษตรกรรมเพระาะฉะนเหล่าเนี้ยก็ต้องฝึกเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน นีสู่ตัวนี้ยที่จริงมันก็ตัวไปคือคนที่ฝึกดีแล้วเนี่ยก็ยอดคนเราลองดูตัวอย่างนักกีฬานักกีฬาพวกดาราอะไรแต่อะรพวกนี้มันรวยจริงๆนะรวยมาหาศาลเลยเป็นมหาเศรษฐีวันก่อนใด้ดูภาพอะไรอะภาพนักขุดบอนอังกฤษอะไรชื่ออะไรเนี่ยอุ้มมันอยู่คฤรหานอะเหมือนกับวังพระเจ้าซาอะไร มันอยู่ได้ยังไงอะฮะอยู่ครอบครัวกันไม่กี่คนเนี่ยมันบ้านมันใหญ่ด้วยกันนี่คือคือแสดงเห็นว่าเขาก็ฝึกมาดีอะในสายตรงนั้นนักกอเปรย์เป็นหมาเศรษฐีนี่เยอะเลยนะฮะความํานานเฉพาะทางของคนแต่ละคนก็สรุปว่าเป็นเรื่องของการฝึกทีนี้มาพูดถึงภริยาก็ค่อนข้างจะมีปัญหาเยอะนะฮะเวล น, นี้เรามีปัญหาการหย่าร้างการทะเละวิวาส การสภาพบ้านแตกแล้วก็มาเน้นย้ำอยู่ในนวนิยายต่างๆละเมองละครอะไรแต่ก็เน้นย้ำในเรื่องเหล่านี้ซึ่งก็ว่ากันตามความจริงแล้วมันไม่ค่อยเป็นประโยชน์อะไรไม่ค่อยสร้างสารรค์อะไรเท่าไหร่ยังคราวๆที่ที่ที่คุณสวัสด์ก็พูดนี่ยคือก็ทื่แรงนะฮะ แลแม้แต่ผู้หญิงที่ไปยุ่งเกี่ยวกับพราเนี่ยเขามีญาติพี่น้องมีพี่มีน้องมีลกูกมีตาอตโอมันเยอะมากขอเรียกว่าเปื้อนมันแปลมันเปืเป้อ น, น, นคือชั่วทายาตดีทายาจริงมันชั่วทายาตด้วยก็ในพระพุทธศาสนาพระเจ้าได้ทรงแสดงเรื่องภริยาเจ็ดจำพวกไว้มันก็สืบเนื่องมาจาก สะพายของอนาธบินิกาเศรษฐีชื่อนางสุชาดาดันคือคือสังคมอารยันสมัยนั้นน่ยหญิงสะพายนีย่จะเป็นใหญ่ภายในครอบครัวดูแลการเป็นอยู่ของคนภายในบ้านเนี่ยควบคุมการปรุงอาหารปริมาณอาหารได้ตรเก่งแต่ว่าประดีปรากฏว่าเธอค่อนข้างดุพระนาธบินิกาเศรษฐีท่านก็เป็นประโสดาบันท่านก็ไม่อยากจะไปยุ่งอะไร โพอดีผิ้าเสด็จแล้ยินแล้วสั่งถามมาเสียงใครนาธินในการเศรษฐีก็กราบทูลให้ทรงทราบบอกว่าเรียกวาดูหน่อยจีเรียกมาคุยกันหน่อยเิดเธอก็มานะผู้เจ้าเระสั่งถามมาสุชาดาจะภายในโลกนี่นะพัญญาในโลกเนี่ยมันมีอยู่เจ็ดประเภทเธอเป็นเป็นพัญญาประเภทไหนล่ะ ก็ไม่ไม่เคยทราบว่ามีพัญญาเจ็ดประเภทก็พระพุยเมื่อภาคเจ้าตัดบอกก่อนพุยเจ้ารับสารว่าพัญญาบางคนเนี่ยทาตัวมันก็โจรบางคนทําตัวเหมือนก็นายบางคนทําตัวเหมือนกับเพาะจะคาดเบียดเบียนล้างพรานทําลายล้างสามีบางคนทําตัวเหมือนกับแม่บางคนทาตัวพี่สาวน้องสาวบางคนทาตัวมันก็เพื่อนบางคนทําตัวมันก็ทาสีเธอเป็นพัญญาประเภทไหนก็ดีนะ แขบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยข้าพระองค์ไม่ทราบเลยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเนี่ยข้าพระองค์จะเป็นพัญญาประเภททาสีภริยาคือภริยาที่เสมอก็ทธาสีรับใช้ใกล้ชิดต่อสามีด้วยความเอาใจใสเอื้อเฟือ้อเพราะเราเห็นว่าเป็นข้อที่น่าสังเกตว่าในเรื่องคิดถูก แล้วก็ที่ไหนก็ตามนหน้าที่ของปัญญาพระเจ้าแสดงไว้แค่ห้าข้อเท่านั้นเองเรามองดูว่าแต่ละข้อนี่ยมันกระจายเยอะมากข้อหนึ่งก็คือจัดการงานดีเก่งฉลาดสามารถเราเจนว่าเธอต้องมีความรอบรู้มีความชนานิชํานาญมีความคิดมีความอ่านแล้วก็มีวิสัยทัศน์ระดับระดับอูมันก็เยอะนะตรงนี้เป็นปัญญาเลยเป็นปัญญาภาคที่มันเป็นทักษะ คือกลายเป็นความชำนาญเออก็นับไปอย่านับไม่ได้แหละประกบการการงานเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่าอะไรบ้างนะความจัด ก, การงานดีสงคราะเียงคนข้างเคียงของสามีดีก็มีน้ำใจมีน้ำใจต่อคนทั้งหลายมีเมตตามีอารีอารอบมีโอปปามารีเ อ, อเื้อเพื่อเผื่อแพร่นะมีน้ำใจต่อคนทั้งหลายมงพกเยอะอีกแหละคนเยอะไปหมดเลยแล้วก็ อซื่อสัต์ต่อสามีไม่นอกใจสามีแสดงว่าจิตใจมีความบริสุทธิ์สะอาดแล้วก็รู้จักบริหารจัดการทรัพสมบัติภายในครอบครัวบริหารจัดการเก่งและดีแล้วขยันไม่เกียดคร้าในการงานทั้งปวงถ้าวเพ่งลองสังเกตนะว่าหน้าที่ของพัญญา น, นั้นเป็นการสะท้อนการลดลงของ โมหะหรือความข r าวแล้วก็การลดลงของโทสะคือความไม่ชอบแล้วการลดลงของความขี้เกียจเป็นการเพิ่มขึ้นของสติสัมปชัญญะความเพียรเป็นการเพิ่มขึ้นของเมตตาเป็นการเพิ่มขึ้นของความซื่อสัตย์สุจริตเราจะเห็นธรรมะเยอะเลย ธรรมะที่อยู่ในข้อความแค่สี่สี่ห้าประโยคเนี่ยแต่เราจะเห็นธรรมะเยอะมากเพราะฉะนั้นถ้าครอบครัวที่ต้องการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นเทวบุตรอยู่ร่วมวเทพธิดาเนี่ยนะกระหมายความมาทั้งสองฝ่ายก็ทำหน้าที่ได้ดีต่อกันนะสมมติว่าพญากับสามีที่จริงเหมือนกันในชุดเดียวกัน หมายความว่าสามีเสมอด้วยโจรก็มีเสมอด้วยนายก็มีเสมอด้วยเพชะฆาตก็มีเสมอด้วยพ่อก็มีเสมอด้วยพี่น้องก็มีเสมอด้วยพี่ชายน้องชายก็มีเสมอด้วยเพื่อนก็มีเสมอด้วยาธาตุก็มีเพราะฉะน้นไอ้สีประเภทหลังเนี่ยมันใช้งานได้แล้วก็ดีด้วยกันจะเอื้อจะเอื้อเฟือด้วยกันเพราะฉะนั้นจึง พระพุทธเงสรงแสดงว่าพัญญาที่ปฏิบัติหน้าที่ของพัญญาได้ดีเนี่ยเป็นสุดยอดของพัญญาแล้วในกรณีของบุตรที่เทวดาบอกว่าบุตรหัวปีพระพุเจ้าไม่ไ ม, ไม่ไม่พูดหัวปีบุตรับสั่งว่าบุตรที่อยู่ในโอวาทแนะนําสั่งสอนเนี่ยไม่รู้บุตรคนที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้แหละในขณะเดียวกันก็จะแยกบุตรเอาไว้ว่ามีอยู่สามประเภท ประเภทหนึ่งก็คือบุตรที่ผานส ก, กุลลูกผู้หญิงก็ได้ลูกผูชาก็ได้บุตรประเภทที่สองก็คือลูกที่สืบต่อส ก, กุลประเวทที่สามก็คือลูกที่เชิดชูส ก, กุลเพราะงั้นถ้าได้แต่ลูกที่เชิดชูส ก, กุลมันก็ดีทีนี้เราจะเห็นว่าบุตรในสามลักษณะอย่างเนี้ยไม่รู้คนไหนหรอกอยืนที่คนไหนก็ได้เด่นขึ้นมาอาจจะคนเล็กก็ได้ แต่มันเกิดเป็นอภิชาตตะบุตรช่อชูสกุลขึ้นมาก็ที่ท่านบอกว่ามีลูกดีเป็นสีสง่าหน้าญาติวงพงสาพ่อยพองใสทั้งเพื่อนบ้านร้านถิ่นที่ใกล้ไกลก็พอใจสันเสริญจเจริญพรเปล่ะที่พระเจ้ารับสั่งว่า บุตรที่เชื่อฟังเนี่ยจึงประเสริฐสุดในหมู่บุตรทั้งหลายเพราะเมื่อเรากล่าวโดยสรุปเนี่ยเราจะเห็นว่าบุตรที่ดีคือบุตรที่รู้และทำหน้าที่ของตนดีตามควรแก่กณีดนั้นเพอ น, นหน้าที่ของลูกก็เหมือนกันพระเจ้าจะสอนไว้แค่ห้าข้อแต่ว่ากรอบขอบข่ายของภารกิจที่รับผิดชอบในห้าข้อนั้นและมันตลอดชีวิตเลย หนึ่งท่านเลี้ยงเรามาแล้วเราเลี้ยงท่านต่อเหมือนตนกว่าจะต่าจากกันแล้วก็แบ่งเบาภารกิจการงานต่างๆของท่านอาจจะรับใช้อาจจะแบ่งเบาอาจจะทำแพนก็แล้วแต่และในขณะเดีวยวกันกระมุลลงสกุลเรื่องละเอียดอ่อนมากนะและเมียดละไมมากเพราะว่าดีไม่ดีมันลากลวงสกุลขกเขาเราก็พุงไปได้ การนับรงศสกุลถือว่าเป็นเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเพราะว่าเราอยู่ในกระแสะสังคมเนี่มันพูดยากคือเรื่องบังเรื่องเราเชื่อว่าไม่น่าจะเสียหายอะไรแต่สังค ม, มเกิดมองเป็นเรื่องของความเสียหายไปอาก็ยุ่งเหมือนกันแล้วก็ทำตัวในหมะสมแก่การเป็นถายาทของสกุลผู้รับทรัพย์โกายาดกทาญาิของสกุลนะครับ แต่ที่สำคัญยิ่งก็คือว่าเมื่อท่านตายไปเนี่ยทำบุญอุทิศกุศลส่งไปให้นี่ก็คือภารกิจเราจะเห็นว่าเป็นศาสนามองพระพุทธเจ้าทรงมองในแง่ของธรรมะเทวดามองตามค่านิยมคือว่าธรรมของท้องจิน่นเพราะว่าธรรมของท้องถิน่นมันก็ถูกก็ได้แต่ไม่ใช่มันผิดร0อยเอร์เซนตแต่ว่า การจะใช้ภาษาสื่อสารควรจะกระชับหน่อยนะมันไม่ใะใช้ในลักษณะผูกมัดอย่างนั้นเพราะว่ามันมีข้อทุงติ่งได้แต่ถ้าไปเน้นเฉพาะจุดประเด็นใดประเด็นหนึ่งซึ่งบางครั้งเนี่ยมันก็รับฟังได้ก็ไม่ใช่ว่าไปเสดอะไรเขาไปเสดทุกสิ่งทุกอย่างต้งฟังขน จึงทาจากมาวิทายาลัยศรีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็เนต่นนี้ที่สุดนี้ขอความเจริญง้อ ง, งามไพบุญในธรรมจึงมีแต่แท่านผู้ฟังทางลายโดยทั่วกันสวัสดี